แล้วที่นั่งภาวนาแล้วเงิบง่าบเงิบง่าบเยหลับไหมฮะเงิบง่าบเงิบง่าบเลยซ้ายบา้างขวาบ้างนลยเวลานั่งภาวนารวมกันในเสียงดังเนเสียงดังแค่แค่เดียวเหรอบางทีเสียงเก๋ะแอมเสียงไอโดยที่ไม่มีความจําเปลนก็มีนะ ันเสียนะเสียเพราะเสียงนี่มันเหมือนกับเป็นคลื่ น, นมากระทบโยกเลยนะโยกเลยแหละเสียงนี่เสียงนิดเดียวเท่านั้นแหละมันเหมือนกับเป็นคลื่นมาเหมือนกับเป็นลมมาเหมือนกับเป็นคลื่นอะไรสักอย่างมากระทบ ต้องโยกต้องไหวตัวนะเสียงเนี่ยต้องระวังอ่ะต้องอดแท้เลยอดเสียงแล้วก็เอมไออะไรบางทีู่รู้เหมือนไม่จำเป็นก็ยังมีเสียงออกมาเวลาทำงานเสียงเป็นคลื่น หนึ่งคลื่นโดยลมสองคลื่นโดยอารมณ์มันมันเป็นทั้งรูปประธรรมมันเป็นทั้งนามธรรมาเป็นคลื่นเหมือนก็เป็นพลังงานอย่างหนึ่งมากระทบบางทีก็จิตกำลังจะเคลิ้มจะสงบพอมีเสียงไปกระทบปับ๊บพอเสียงไปกระทบกระทบปั๊บเนี่ยมันยังรับรู้อยู่ กระตุกละมันกระตุกบางทีกระตุกกระตุกมาถึงกายบางทีก็กระตุกในอารมณ์ข้างในน่ะมันขัดอยู่ข้างในขัดยังไงก็ดูอ่ะฟังดูธรรมชาติของจิตเป็นธรรมชาติที่อ่อนน้อมน้อ ม, มโนมโนมโนแปลว่านน้อม ท่านจึงมีศัพ์ว่ามโนมโนมโนแปลว่าใจเนี่ยใจมันเป็นธรรมชาติที่น้อมอมันน้อมสิ่งใดที่สละสลวยสิ่งใดที่นิ่มนวลจิตมันจะอ่อ น, นจะน้อมพอน้อมไปน้อมไปแล้วมันปึ้งปังขึ้นมาเนี่ยมันขัดเขาเรียก ม, มันขัดมันขัดต่อกระแสที่กําลังน้อมเนี่ยเห็นอย่าง จิตของเรากําลังจะเริ่มสงบไปตามอารมณ์ที่เราเราให้ก็บริกรรมให้ก็น้อมไปพอมีสิ่งไปปึ้งปั้งไปขัดไปขัดขัดตัวนี้นี่ภาษาธรรมะเ้าเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะมันขัดมันขัดกระแสของอารมณ์คือมันขัดใจเราพูดภาษาง่ายๆของเราคือขัดใจ ความขัดใจเป็นเหตุนำมาซึ่งความโกรธความขัดใจเป็นเหตุนำมาซึ่งความขัดเคืองนะความขัดเคืองเป็นเหตุนำมาซึ่งความโกรธมันมีเหตุมีปัจจัยของมันอยู่นะในเราพูดถึงต้นต่อกลนบึ้งของใจของคนของสัตว์เนี่ยมันมีจะมีลักษณะนอ้อมเราสังเกตดูวิอยาดอกเราสังเกตดูในใจของเรา ความน้อมอย่างหนึ่งมันน้อมไปตามกระแสของตัณหาความน้อมอย่างหนึ่งมันน้อมไปตามกระแสของอารมณ์เช่นอยาา่าร้อยเขาพูดโธพูดโธมันกําลังจะสงบมันกาลังจะแนบกําลังจะแน่ น, แ น, นิ่งมันกาลังจะดิ่งกระตุกป๊บไอะขาดละขยับมันถูกขยา่าถูกขยื่นถูกฟุ้ง คือว่ า, าวกาตะกอนจะเริ่มจะเริ่มดิ่งลงตะ ก, ก, รกรอนเราจะนอนก้นถูกเขย่าอีกและกวนขึ้นมาอีกละเนี่ยถูกเขย่าวกวนออกมาอแล้วอันนี้คืออารมณ์อารมณ์ที่เป็นรูปธรรมโดยหลักธรรมชาติของมันทีนี้อารมณ์ที่จิตมันน้อมไปตามกระแสของกิเลสก็เช่นเดียวกันมันน้อมเนึกไปตามกระแสของกิเลส มันนื้มันอยากให้เป็นอย่างั้นอย่าให้เป็นอย่างั้นอยาให้เป็นอย่างไงเพราะมีสิ่งหนึ่งมาโผล่ปั๊บขัดปั๊บขัดเครื่องทันทีขัดเครืองทันทีเราสังเกตดูภายในจิตของเราได้มันขัดเครืองความขัดนี่แหละท้าเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะขัดเครืองโกทะโกทะโกทะโกรธโกรธโกทะความโกรธ ความขัดเครื่อ ง, งกระแสของจิตความโกรธที่ส่งไปไกลนะความโกรธเนี่ยแค่พระโสดาบันยังเอาไม่อยู่หรอกพระโสดาบันเอาอารมณ์ความโกรธไม่อยู่แม้แต่พระสกิทาคาเนี่ยก็ยังแค่เบาบางเท่านั้นเองยังไม่หมดนะยังเหลือเล็กมากเหลือละเอียดอ่อนมากทำให้เบาบางลงยังไม่หมด ยังไม่เห็นสาเหตุต้นต่อที่แท้จริงสิ่งเหล่านี้มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุผลต้นต่อมาทั้งนั้นแหละกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เราจะเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันเห็นการเห็นเหตุเห็นปัจจัยมันมันเริ่มเห็นต้นเห็นต่อเห็นเห็นต้นเขาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันมันก็จะเริ่มสงบระงับ พราะฉะนั้นจิตของคนที่ไม่ฝึกฝนไม่อบรมอารมณ์ต่างๆเหล่านี้จึงเป็นอารมณ์ที่หยาบแสดงออกมาได้ง่ายปึ่งปังขึ้นมาโกรธพึ่งปังขึ้นมาเกลียดพึ่งปังขึ้นมาอิจฉาปึ่งปังขึ้นมาริษยาพยาบาทตามจองล่างตามจองผางตัดสินใจพึ่งปังแป๊บเดียวกูธ กูเอาตายเน่กูเอาตายเนี่ยจิตจิตดวงนี้มไม่ไม่ฝึกฝนไม่อบรมไม่ตั้งใจสอดรู้สอดเห็นจริงๆแล้วมันเป็นอย่างงี้สาเหตุต้นตอของมันเพราะธรรมชาติดั้งเดิมของมันมันชอบอ่อนมันชอบน้อมออมันชอบนิ่มนวลมันชอบอ่อนสลวยมันไม่ชอบสิ่งใดมาขัดคำว่าขัดยังหมายถึงขัดขัดใจนะ ก็ว่าขัดใจในที่นี้หมายถึงขัดอารมณ์ขัดอารมณ์ขัดความชอบใจขัดความพอใจชอบใจชอบใจที่จะพูดพูดชอบใจที่จะคุยคุ ย, คยชอบใจที่จะคิดคิดชอบใจที่จะทำท ำ, ทำแต่บางอย่างมันก็ไม่ประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลเวลามีคนไปขัดเคียดโกรธโกรธโกรธเคือง ถึซึ่งอาฆาตถึงพยาบาทคำว่าพยาบาทก็คือมันผูกผูกผูกเวรอยู่ในใจพยาบาทคือผูกเวรผูกเวรอยู่ในใจปองร้ายอยู่ในใจไม่ใช่ผูกเฉยๆนะปองร้ายด้วยกูเอาตายกูเอาตายตายแน่มึงตายแน่นี่เขาเรียกว่าผูกอาฆาตอาฆาตเอาไวาา้ฆาตเอาไว้ถึงฆาตฆาตตะหมายถึงการฆ่า ฆาตกรรมฆาตกรเนี่ยผู้ฆ่าฆาดพยาบาทบองร้ายเอาตายเอาตายเอาตายนี่คืออาระมณ์ของจิตจิตที่เขาไม่เคยฝึกฝนอบรมแท้ๆเนี่ยแข็งกระร่างอย่างนั้นแหละวิธีการที่เราจะทำให้สิ่งเหล่านี้เข้าใจอ่อนน้อมจริงๆแล้วก็เห็นโทษเห็นไก็ก็ ก็จะต้องมาฝึกฝนแบบนี้แหละมหัดนั้มอยู่กับอารมณ์มันเดียวมหัดสอดรู้สอดเห็นเหตุปัจจัยของมันเมื่อเริ่มสอดรู้สอดเห็นเหตุปัจจัยของมันมันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆยแต่หากเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยเราจึงสามารถเข้าไปรู้เห็นเหตุเห็ น, หนปัจจัยแล้วก็บรรเทาได้เบาบางได้เอาออกได้ เอาออกอยังไม่หมดก็เอาเบาๆให้มเหลือเบาบางแล้วก็การที่จะเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปเข้าใจก็คือจิตที่ฉลาดจิตละเอียดจิตฉลาดจิตฉลาดคือจิตรอบครอบจิตรอบคอบคือจิตมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองมีเห็นมีมีเหตุมีผลที่เห็นแล้วเล็งเห็นแล้วไม่ใช่คิดคาด เอาดาวเอาเฉยๆมีรูปธรรมมีนามธรรมให้ปรากฏมีเหตุมีปัจจัยให้ปรากฏจิตเข้าอย่างระลึกรู้ถึงเหตุถึงปัจจัยเหล่านั้นจิตสยบยอมราบคาบปลงใจเชื่อเหตุเชื่อปัจจัยเหล่านั้นไม่ไม่ใช่เชื่อไม่ใช่เชื่อเพราะถูกใจไม่ใช่เชื่อเพราะชอบใจอไม่ใช่เชื่อเพราะอ่อนิ่มสลวยอ ก็เหมือนเพลงดนตรีบรรดาเพลงดนตรีทั้งหลายคําพูดคําสรรเสริญเยินยอทั้งหลายบรรดาเพลงดนตรีที่ขับกล่อมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้อ่อนโยนอ่อนสลวยแต่บางทีก็ไม่มีเหตุผล อ, อ, อาศัยความชอบใจและก็อาศัยความถูกใจแต่บางอย่างไม่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลเรายิ่งชอบใจไปมากเท่าไหร่ มันกย็ยิ่งมัดจิตของเรายิ่งผูกใจมากเท่าไรยิ่งจิตใจมากเท่าไรก็ยิ่งมัดจิตของเราเหมือ น, เ ห, อนออ เ, เหมือนอารมณ์กล่อมของกิเลสเหมือนอารมณ์กล่อมของกิเลสโดยปกติภายในจิตของเรามันมีกิเลสเมื่อโดนเมื่อเจออารมณ์กล่อมที่เป็นเรื่องของกิเลสเช่นอย่างเพลงขับ กล่อมเกี่ยวกับเรื่องกามเนี่ยเรื่องกามาคุณ เ, เพลงขับกล่อมเกี่ยวกับเรื่องกามยิ่งฟังไปเท่าไหร่ก็ยิ่งกำเริ่บเสรบสารกำเริ่บเสืบสารหมายความว่าอยากตอบอยากตอบรับอยากสนองอยากตอบรับจากอะไรต่ออะไรสารพันี่ไม่ใช่ว่าอ่อนสรวยไปตามจิตแล้วมันจะมีผลดีอย่างเดียวอ่อนไปถูกกระแส ข, ของกิเลส กระแสของกิเลสก็คือเชื้อของกิเลสถ้าเราจะเทียบกิเลสภายในใจของเราถ้ายาเราจะเทียบกบเหมือนกับไฟทีนี้เหยื่อของกิเลสก็คือวัตถุ ก, กามทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่คําขับกล่อมนี่ก็เป็นวัตถุ ก, กามสับประเสียงสับเสียงสาเนียงภาษาดนตรีขับกล่อมเกี่ยวกับเรื่องกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนี่นี่เป็นเรื่องอารมณ์ของกาม แล้วก็เป็นเชื้อของของไฟถ้าเราจะเทียบกับกิเลสเป็นไฟสิ่งเหล่านี้เป็นเชื้อของไฟเรายิ่งเอามาใส่มากเท่าไหร่ที่จะให้ไฟมันดแบบับมันไม่มีดับไฟมันยิง่งยิ่งมีกระเพืออ่ากระเพือเป็นกองใหญ่ไม้ตั้งแต่พื้นๆต่าๆเนยสูงจดเมฆนะหลวงตาท่านว่าสูงจดเม่นั่นเปลวเปลวไฟของมันนี่ยเปลวความเร่าร้อนของมันเนี่ย จดเมฆมันจดถึงขนาดไหนจดถึงขั้นที่ว่าต้องตอบต้องสนองให้กับมันนี่คือสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเหยื่อของมันมันเป็นเหยื่อของกิเลสพอตอบรับปั๊บกิเลสงับอโผลมาปับ๊บงับโผลมาปับ๊บงับเรามันเราพิจารณาดูบรรดาวัตถุ ก, กามทั้งหลายในโลกอ่าที่มีการที่เป็นเป็นสือ่อเป็นโฆษณา ประชาสัมพันธ์อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงวัฒนธรรมที่เขาว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมแต่เราไม่เคยเรียกวัฒนธรรมเขาเรียกเราเรียกว่าวัฒนกิเลสสิ่งเหล่านั้นมันโผล่ขึ้นมาจากความเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วก็มันออกมาเพื่อสนองตอบกับกิเลสนะพอมาวางตลาดมาวางตลาดใครเห็นในหัวใจของใครของใครครับ มีกิเลสเต็มแปร่อยู่ในหัวใจนะใครเห็นก็ความมับใครเห็นก็ความมัฟวางตลาดไม่ทันอ่ะความมัฟวางตลาดไม่ทันความมับรงวางตลาดไม่ทันความมัฟเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหยื่อของกิเลสมันเป็นอาหารของกิเลสกิเลสที่มีอยู่ภายในใจมันออกมาเห็นปับ๊บความมัฟออกเห็นมากน้อยเท่าไรเมาหมดผลิตไม่ทันมากน้อยเท่าไรผลิตไม่ทันเราจึงเห็นว่าวัฒนะ ก, กิเลสเนี่ยมราบาด สาสตร์กระจยเดือนเดียวเนี่ยรวดเดียวรวดเดียวเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มบ้านเล็กเมืองใหญ่เต็มไปหมดสารพัดเราดูเถอะเราพิจารณาดูเถอะแน่ทีนี้คำพูดก็พูดโกโ ก, โกวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันไม่ใช่วัฒนธรรมมันเป็นวัฒนกิเลสดูให้ดีพิจารณาออกสิ่งที่ชอบเปิดเปิดปิดปิดวกวกแวมแวมอะไรทต่ไรสารพัดเนี่ยนะเห็นไหม บางคนเขาฉลาดเขาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือล่อกิเลสในใจของคนเพื่อเพื่อขยับให้สินสินค้าของเขาเนี่ยขายได้เป็นเทน้ำเทท่าขายดิบขายดีเราพิจารณาดูในแง่ความเป็นธรรมกับในแง่ความเป็นกิเลสเราพิจารณาอย่างนี้จะทําให้เราเข้าใจเมื่อเราเริ่มเข้าใจข้างนอกเราย้อนมาข้างใน แล้วก็ย้อนเข้ามาข้างในใจของเราความเป็นในใจของเรากับความเป็นในใจของคนข้างนอกกับความเป็นในใจของคนที่ไม่เคยฝึกฝนอบรมเลยกับคนที่เคยฝึกเคยฝึกฝนอบรมกับจิตใจของเราที่เคยฝึกฝนอบรมเรามีข้อตึงข้อหย่อนมีข้อผ่ันผันเคยมีข้อตึงเคร่งไม่ให้สิ่งเรล่านี้ ก้าวล่วงมาแม้แต่ก้าวเดียวในหัวใจของเราเนี่ยเราสามารถพิจารณาเกิดความรเกิดความเข้าใจได้ในใจของเราเนี่ยรุนแรงไหลเชี่ยวขนาดไหนก็ตามเราก็พิจารณาดูมัน อ, อน่อนมันนิ่มมันลึกมันอ่อนมันนิ่มมันลึกหรือมันหยุดตื้น ได้รับสัมผัสปั๊บปึ้งปังกิเลสมนนุ่นแรงกับกิเลสที่มันอยู่ลึกจากการที่เคยต่อสู้จากการที่เคยทรมานเนี่ยเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นการพิจารณาธรรมะในใจของเราพิจารณาเพื่อรู้ที่ไปที่มาพิจารณาเพื่อรู้แล้วก็ถอดแล้วก็ถอนถ้าตรงกันข้ามเรามีแต่เสริมเสริมเสริมเสริมเสริมเสริมก็คือเสริมก่องทุก เสริมส NO. ิ่งเหล่านี้คือเสริมกองทุกเสริมสิ่งเหล่านี้คือเสริมกองทุกขบรรดากิเลททั้งหลายหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไม่ใช่ว Inform ่าหลายตัวมันทับถมกันตายไม่มีน้ําของกิเลทกิเลทท่านเปรียบเสมือนน้ําอาสวะท่านว่าอาสวะอาสวะก็คือน้ํามันแหละน้ําดองกามาสวะน้ําดองคือกามภาสวะน้ําดองคือภพอวิชชาสวะน้ําดองคืออวิชชา คำว่าน้ำดองก็คือความโง่ของอวิชชาเนี่ยมันดองดองเกี่ยวกับเรื่องกามดองเกี่ยวกับ เ, เรื่องพบดองเกี่ยวกับเรื่องความมืดบอดภายในจิตของตัวเองนั่นแหละที่เรียกว่าอาสวะอาสวะแปลว่านา้ำเรามาพิจารณาดูน้ำหยดหนึ่งสองหยดสามหยดสิบหยดเวลามันรวมตัวกันแล้วเป็นยังไงจากหยดเล็กๆ ก, กลายเป็นหยดเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มหญ่เ ห, เห็นไหมมันทับกันตายที่ไหน พลังของมันต่างหากมันจะไปทับถมสิ่งเราอื่นอีกตายชิ้นผายใบพวงหมดไม่มีเหลือใจที่ถูกอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาหมักมาดองอยู่ในหัวใจเต็มแพร่ใจดวงนั้นตายตายจากศีลตายจากธรรมมืดบอดปิดบังดวงเป็นฝ้าปิดบังดวงสติดวงปัญญาในหัวใจมืดมิดมองไม่เห็นสิ่งใดแหละในโลกนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ประโยชน์ผู้ที่ได้เปรียบก็คือผู้ที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนพอจะดึงสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นกองทุกข์ที่จะมาทับถมหัวใจของตัวเองได้บ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องไม่แปลกเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำอยู่ในใจของสัตว์โลกในใจของมนุษย์ในใจของสัตว์ในใจของเราในใจของท่าน เป็นเหตุที่เราไม่จําเป็นต้องสงสัยแหละสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมีขึ้นอยู่อย่างนี้แต่หากสิ่งเหล่านี้จะบรรเทาเบาบ า, บางเจือจางแล้วก็เหือดแห้งแล้วก็หมดไปได้ด้วยการฝึกฝนอบรมโดยลําพังเขาเองเนะ่ยเราไม่ตั้งใจจะฝึกฝนอบรมนะ่ะเขาสะสมอบรมตัวเขาเองบรรดากิเลสทั้งหลายนั่นแหะเหมือนน้ําซึมเหมือนน้ํารั่วเหมือนน้ําซึม อ่าน้ำซึมคือกามทั้งหลายมันซึมเข้าสู่หัวใจเหมือนน้ำรั่วคือกามทั้งหลายมันรั่วรดหัวใจซึมเรื่อยๆรั่วเรื่อยๆซึมเรื่อยๆรั่วเรื่อยๆเปียกชุ่มแฉเปียกชุ่มแฉะทุกกรอนออหยดน้ําจากหยดหนึงจากหยดเล็กๆกลายเป็นหยดใหญ่จากหยดใหญ่กัทบ ท, ทับท่วมตรงนั้นทับท่วมตรงนี้ นี่คือในหัวใจของเรากาลทลายมันทับท่วมหัวใจมันพัฒนาของมันเองถ้าเราจะเทียบก็มันก็น้ํามันซึมซึมทีละหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมันก็มันก็เป็นน้ํามากมายมหาศาลพร้อมที่จะทําให้ตรงตรงที่ตรงที่รั่วที่ซึมตรงนั้นเนี่ยผุกร่อนได้ กามทั้งหลายกิเลสทั้งหลายในใจของเราเช่นเดียวกันเราไม่ต้องพัฒนามันหละหากธรรมชาติของมันมันพัฒนาเองหลวงตาท่านว่าหลวงตาท่านว่าวิชาของวัตฏะมันสะสมตัวมันเองวิชาวัตฏะวิชาของวัตฏะกิรลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันพัฒนาตัวของมันเองเราไม่ต้องไปตั้งใจพัฒนามันดอก หลับตื่นลืมตาอ้าปากอะไรแต่ไรเพี้ยนแต่รับปล่อยใจไปทําสบายมันมันจะทับทับถมตัวเองจนปิดบังปัญญาที่เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐินี่มืดมิดสนิทละมีแต่มิดฉาทิฏฐิปิดปิดมืดมืดมิดหมดทั้งหมดทั้งดวงหัอยใจดวงนั้นอะมืดมิดหมดทั้งดวงตรงกันข้ามกับการชําระขัดเกลาสิ่งเหล่านี้การชำระขัดขัดขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ต้องเป็นไปตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ท่านอุบัติขึ้นมาพร้อมกับนำแบบอย่างมาสอนสัตว์โลกพร้อมกับนำแบบอย่างทั้งหลายทั้งปวงมาสอนสัตว์โลกสัตว์โดยไม่ได้นึกได้คิดไม่เคยสังสมอบรมมาเนี่ยก็มืดบอดอยู่อย่างนั้นแต่อาศัยผู้ที่ผ่านการฝึกฝนอบรม มีความช่ำชองสามารถเอาตัวเองรอดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระ อ, องค์อองเสร็จแล้วเอาความรู้เหล่านี้นะมาวางแบบวางแผนที่ท่านบอกแบบอย่างให้เราเดินตามไม่ใช่เดินตามอย่างสเปะสป่าแล้วก็ถูกช่องไม่ใช่เดินตามอย่างมีแบบอย่างจิตเราไม่สงบจิตเราไม่สงบเพราะกิเลสในใจมันไม่สงบมันมาปั่นจิตของเราเนี่ย ให้จิตของเราเนี่ยวุ่นกับเรื่องรปูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสวุ่นวายกับเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในหัวใจจิตมันไม่สงบจิตมันไม่สงบก็คือกิเลมันปั่นภายในจิตของเราไม่ให้จิตของเราได้รับความสงบเนี่นวิธีการของท่านก็คือท่านให้ทําใจให้ใสงบให้ทําจิตให้สงบนึกอยาให้เขาสงบเฉยๆเขาจะสงบไม่ได้ถ้าไม่มีวิธีการหรือแบบอย่าง ต้องมีวิธีการที่มีแบบอย่างแล้วก็ตั้งสติตั้งสัมปชัญญะตั้งความภาคความเพียรแล้วก็ทำอย่างนั้นแหละทำจนมีทำจนเป็นทำจนเกิดมีก็คือไม่ไม่มีก็คือไม่มีไม่เป็นก็คือไม่เป็นไม่เกิก ด, ด, ด, ด ก, ก, respace, ก, ก, ก็คือไม่เกิดทำจนได้ทำจนดีทำจนมีทำจนเป็นจึงได้จึงดีจึงมีจึงเป็นจึงเกิดเกิดก็คือเกิดไม่เกิดก็คือไม่เกิด ถ้าได้ตั้งใจทํารือเมื่อเราต้องการให้สงบเฉยๆเขาสงบไม่ได้อ้ามีวิธีการยกขึ้นมาดํมริขึ้นมาเป็นคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธภาษาธรรมะ ท, ท่าเรียกว่าตริหรือดํมริดรํมริเรื่องเดิมๆคาเดิมๆคา เ, เก่าๆทําซ้ำํำๆที่ท่านเรียกว่าบริกรรมบริกรรมบริกรมรมแปลว่าทําซ้ําๆ ส, สพุทธโธพุทธโธในขณะเดียวกันก็ดำรงสติดำรงสัมปชัญญะแน่นหนามัน่นคงกํากับผู้รู้ของเราให้มันโรรเป็นอารมณ์ที่เด่นชัดที่สุดพุทธโธพุทธโธเด่นที่สุดชัดที่สุดคมที่สุดไม่ใช่ห้าส 70% เปอร์็นหกสเอร์็นเจ็ดสิบเอร์เ็น้าสิบซยังไม่ชัดต้องเต็มร้อยพุทธโธเต็มร้อย พุโทโธพุโทโธพุโทโธเพราะฉะนั้นกำลังแห่งความสงบจึงมีมากแต่ถ้าหากมีแค่หกมีแค่เก้าสิบมีแค่แปดสิบคือมันไม่ชัดพอมันไม่ชัดพอไอตรงเปอร์เซ็นตที่ว่าสิบเปอร์เซ็นหรือเปอร์เซ็นที่ว่ายี่สเปอร์เซ็นอันนี้แหละส่วนนี้แหละมันดึงผู้รู้ของเราไปผู้รู้ของเราแทนที่จะมารวมตัวกันทั้งหมดเป็นร้อย มันไม่มันขาดมันบินไป1ิบเตยี่สิบเอร์เซนตถ้าเราจะเทียบเหมือนกับความสว่างของแรงเทียนไฟเรานี่แหละถ้ามันแพ้กันยี่สิบแรงเนี่ยแพ้กันสิบแรงเนี่ยความสว่างของไฟมันก็แพ้กันแล้วมันก็แพ้กันแล้วอันนี้เป็นเป็นข้อเปรียบเทียบในใจของเราถ้าอยู่มีสติมีสัมผชจัญญากรากับอยู่ตลอดส0บเอร์ซน ไม่มีไม่มีแบ่งไปกินสิบ0อร์ซยี่สิเอร์เซ็นแล้วก็ร่แล้วก็พยายามดำริประคองอยู่อย่างนั้นแหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธประคองให้สงบอยู่กับคำบริกรรมอันเดียวท่านี่แหละคำว่าพุโทโธมันเป็นอารมณ์ที่เป็นธรรมพุโทโธโดยแบบอย่างก็คือตั้งใจว่าไปพุโทโธพุโทโธทำให้ได้ตามแบบอย่างตามแบบฝึกหัดแบบทดสอบแบบฝึกฝึกฝึกหัดที่ท่านให้เราทา เป็นแบบอย่างตั้งใจทำไปครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านจะเริ่มสอนตั้งแต่นั่งภาวนาขวาทับซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งขัดสมาธิหนึ่งชั้นหรือนั่งขัดสมาธิสองชั้นหรือนั่งขัดสมาธิเพชรเนี่ยเราดูออกไหมเราคิดออกไหมนั่งขัดสมาธิเพชรพระพุทธรูปบางบางปา ง, างนั่งขัดสมาธิเพชรมันจะมีปลายปลายเท้าชี้ขึ้นทั้งสอง นั่งคัดสมาธิเพชรแล้วก็ประเภทขวาทับอยู่บนซ้ายเท้าขวาทับบนเท้าซ้ายนี่เขาเรียกว่านั่งคัดสมาธิสองชั้นอ่านั่งอ่าขาซ้ายอยู่บนพื้นขาข้างขวาก็อยู่บนพื้นงอมาข้างหน้าไม่ทับกันอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งชั้นนั่งภาวนาอ่าแบบคัดสมาธิหนึ่งชั้นเป็นงอเท้าเราเข้ามา เป็นหนึ่งชั้นถ้าสองชั้นคือเอาขวามาทับอยู่บนซ้ายเกย์อยู่บนซ้ายถ้าสมา ถ, ถ้าหากนั่งขัดสมาดคัดสมาดเพชรก็ซ้อนแบบเพชรนั่นแหะต้อ ง, ต, องต้องมีตัวอย่างดูต้องมีแบบดูนี่นี่คือนั่งนี่คือแบบอย่างครูบาอาจารย์ท่านมักจะสอนแบบอย่างตั้งกายตรงดํารงสติให้มั่นคงสติต้องรู้จักนะสติสติต้องรู้จัก สติก็คือผู้รู้ที่เด่นชัดที่สุดในจิตของเราสติเกิดขึ้นจากอะไรสติเกิดขึ้นจากจิตสติเกิดขึ้นที่จิตสติเกิดขึ้นจากจิตสติคืออาการของจิตอาการของผู้รู้จิตคือผู้รู้สติเป็นอาการของจิตเป็นส่วนหนึ่งของจิตแต่เป็นส่วนอาการที่มีอุปการะคุณกับจิตถ้าหากสิ่งเหล่านี้ โผล่ขึ้นม า, าชาัดเจนแจ่มใสสว่างสวยผู้รู้ดวงนี้ไม่กล้าไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกไปแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวโงอยู่อย่างนั้นนั่นคือสงบมีสติมีสามชัญญะจิตก็สงบสงบนี่คือสงบไปสงบกิเลสมันไม่มาแทรกจิตนะ ให้ให้ใ ห, ให้ดึงเราไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วกิลเลสมันแทรกเข้ามาไม่ได้นิวรทั้งหลายมันมาครอบงําจิตไม่ได้จิตก็สงบเนี่วิธีระ ง, งับกิเลสภายในใจท่านจึงเริ่มให้รู้จักความสงบของจิตก็คือทําทําอย่างนี้แหละทําแบบเนี้ยทําเรื่อยๆทํำเนืองๆทาบ่อยๆทําอย่างต่อเนื่องทําหยุดทําหยุดทําหยุดทําหยุด มันก็ติดขาดติดขาดติดขาดกิเลสมันก็คอยแทรกมาตรงที่มันขัดขานแหละตรงช่องที่มันขัดขาดกิเลสมันจะแทรกเข้ามาเราจะเห็นเส้นทึบอยู่บนถนนน่ะบนถนนเส้นประเส้นติดขาดติดขาดติดขาดมันเกิดช่องถ้าหากเราดำรงผู้รู้ของเราทําให้ติดขาดติดขาดติดขาดเลี้ยวเพลอไปอ้าวเดี๋ยวดึงเข้ามาเดี๋ยวเพลอไปแล้วดึงเข้ามาเพล้อมันติดขาดติดขาด ไอ้ตอนมันเผลอไปดึงไปกิเลสก็เอาไปถลุงซะนะความรู้มีอยู่แต่มีแค่แปดสิบเปอร์เซนเจ็ดสิบหกสิบเอร์เซ็นเนี่ยมันก็ดึงไปครึ่งนึงแล้วแหละต้องอยู่เต็มร้อยถึงจะชัดเจนนี่ผู้รู้อยู่เต็มร้อยรูปโธพุทโธปุทโธอยู่เต็มร้อยเมือ่อเราป้อนอาหารที่เป็นอาหารของใจนะ ป้อนพุทโธป้อนไปป้อนไปป้อนไปป้อนไปคำว่าพุทโธนี่มันเป็นอารมณ์ของธรรมเป็นอารมณ์ของใจใจจะอิ่มใจจะเริ่มอิ่มนี่มันไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสมันเป็นอารมณ์ของธรรมใจจะเริ่มอิ่มพอเริ่มอิ่มเขาก็ไม่หิวใจหิวเป็นไหมใจหิวอารมณ์หิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสหิวเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเขาเรียกว่าใจมันหิว ใจหิวเฉยเยเปลี่ยนไหมใจหิวเฉยเฉยไม่ได้กิเลสในใจมันพาให้หิวสรุปแล้วคือกิเลสมันหิวกิเลสมันหิวมันออกหากินานี่พอเราป้อนอารมณ์ทำอารมณ์ของใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธมก็จะเริ่มอิ่มพอเราอิ่มเนี่ยเราไม่ต้องป้อนเขาก็อิ่มอยู่แล้วะเขาไม่หิวเขาไม่หิวเขาไม่ต้องดีดต้องดิน้นเขาไม่ต้องไปเราไม่บริกา ร, รพุโทโธเขาก็อยู่ จนไม่มีคําว่าบทพุทโธจิตมันก็อยู่ร่๊ดิง้งร่๊สงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยเนี่ยคือวิธีหัดระงับดับกิเลสในหัวใจของเราถ้าเราสามารถทําได้อย่างนี้จิตใจของคนคนนั้นจะเริ่มแนบแน่นตั้งมัน่นที่เรียกเรียกว่าจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นจิตควรแก่การงานจิตตั้งมัน่น ในความตั้งมั่นนั้นจิตมีความแนบแน่นมัน่นคงจิตมีความสงบจิตมีความสุขจิตมีความ อ, อิ่มเอออิ่มอึ้งตึงอยู่นั่นแหละจิตมีความอิ่มมีความสงบความสงบนั้นในความสงบนั้นมีความสุขเขาจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงเขาจะมีเป็นยกเป็นยกไม่ใช่เป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันในช่วงระหว่างที่เราฝึก ฝึกฝนอบลมนี่เขาจะมีเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงเราพูดเทียบได้ว่าเป็นยกเป็นยกเป็นยกเหมือนยกนักมวยเขาต่อยยกเป็นยกเป็นยกนั่นแหละอ่าพอเขาหมดยกเขาเขาก็ถอยออกมาเริ่มกระดุกกระดิกเริ่มกระดุกกระดุกกริกพลิกแปลงขึ้นมาตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาเราก็กำลังใจสงบอีกพิจารณาสงบอีกก็ทําทอยู่อย่างนี้แหละทําอยู่อย่างเนี้ทําไม่ปล่อย ถ้าเราดํารงทำได้ต่อเนื่องพื้ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงล่วงไปทําให้เกิดช่องทกิเลสมันแทรกไม่ได้กิเลสมันก็เริ่มจะด้อยลงไปด้อยลงไปคือด้อยพลังด้อยกําลังเมื่อมันด้อยพลังมันด้อยกําลังมันก็มันก็แพ้มันก็แพ้กําลังของธรรมมันก็แพ้พลังของธรรมนี่มันจะเริ่มแพ้กันไปอย่างนี้แหละแต่เขาแพ้แล้วเขาไม่ไปไหนนะเขาเขาแอบมาตามหลังนั่นแหละ เขาแอบแอบมาตามหลังเนะี่ยเขาอาจจะไม่แซงหน้าเราแต่เขาแอ บ, บมาข้างหลังเนะี่ยเราเราก็ย้อนเผลอเมื่อไหร่เขาเขาแซงปักมาอีและแซงนี่และวย้อนเมื่อไหร่เขาแซงปักอีกล ะ, กล ะ, ะ, เ, ขกละเขาไม่ไปไหนแล้วเขาจะแอ บ, บมาตามใจของเรานะี่นี่คือทําใจให้สงบครูบาอาจารย์ท่านสอนถ้าถ้าใจสงบแล้วก็อยากพิจารณาท่านก็ให้เอามาพิจารณาเอาใจที่สงบลงไปเนะี่ยใจที่สงบลงไปเป็นใจมีพลัง เป็นใจที่มีความสงบแนบแน่นอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ดีดไม่ดิ้นไปตามอารมณ์ไม่ฉับไวกับอารมณ์อจิตที่ยังไม่เคยฝึกอ่ามันฉับไวกับอารมณ์อารมณ์อะไรโผล่เข้ามาพร้อมที่จะไหวไปตามอารมณ์นั่นทันทีอารมณ์อะไรโผล่เข้ามาไหวพับทันทีอารมณ์ใดมาไหวพับทันทีแต่จิตที่เคยฝึกมาแล้วเนี่ยแนบแน่นมั่นคงเหมือนหลักเหมือนต่อเหมือนเสา เหมือนเสาหินพยาโศกเนาะฝังตึ๊บอยู่นั่นแหละอเห็นไหมเป็นกับกับเป็นกี่พันปีมาแล้วแหละฝังอยู่อย่างนั้นแหละอารมณ์ที่อิ่มที่แนบแน่นที่มั่นคงไม่อดไม่อยากไม่หิวไม่กระหายเนี่ยอิ่มอึง้งตึ้งอยู่นั้นแหละเนี่ยเป็นอารมณ์ที่อิ่มท่านให้เอาอารมณ์ที่อิ่มนี่แหละพิจารณาจิตที่มันอิ่มอยู่แล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่รับทานอาหารอิ่ม มีกำลังมากจะไปขุดจะไปตัดจะไปเลื่อยจะไปทุบจะไปตีจะไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันทำงานได้ประโยชน์ทำงานได้ผลกับคนที่หิวกับคนที่หิวร่างกายหิวกำลังวัางชาไม่ดีคนที่หิวกำลังวัางชาไม่ดีกำลังวัางช้าไม่ดีทำงานอะไรก็ไม่ดีจิตที่มีความสงบคือจิตไม่หิวจิตอิม่ม คือจิตมีพลังจิตมีกําลังทําอะไรจึงมักจะได้ประโยชน์ทําอะไรมักจะได้ผลทําอะไรจึงได้ผลจากนั้นแล้วมีคุณสมบัติในตัวเองมีคุณสมบัติในตัวเองมีความคลั่งมีความศักดิ์สิทธิ์มีความอัศจรรย์ในตัวของตัวเองบางคนมีวาจาศักดิ์มีวาจาสิทธิ์มีเข้าเรียว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าใจมันศักดิ์สิทธิ์ใจมันมั่นคง เสมือนอย่างเครื <Okay. S 2> ่องรางของขลังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมาจากความขลังของจิตนั่นแหละความขลังของจิตก็มาจากความสงบของจิตความสงบของจิตก็มาจากความที่กิเลสทั้งหลายมันเข้าไปแทรกแซงจิตไม่ได้เมื่อกิเลสเข้าไปยุแยเจิตแทรกแซงจิตไม่ด้กิเลสมันก็หมดอํานาจหมดบทบาทลงไปแต่เผลอไม่ได้นะ ตราบใดที่เรายังไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นต้นต่อของมันแล้วก็ถอนออกได้เนี่ยเผลอไม่ได้เดี๋ยวมันเล่นงานเนี่ยเผลอไม่ได้มันแซงมาข้างๆน่ะเดี๋ยววกเข้ามาแล้วจมที่เราทันทีเราจะเทียบกับไม่ไม่ต่างอะไรกับกองโจรอกองกําลังติดอาวุธคอยคอยคอยแต่จะประชิดตัวเราทุกระยะทุกเวลาเนี่ยเผลออะไรมันประชิดตัวเผลออะไรมันประชิดตัว เพิ่머ไรตายเพิ่머ไรตายกิเลสก็เกิดขึ้นที่จิตดวงนี้ธรรมะก็เกิดขึ้นที่จิตดวงนี้ถ้าหากธรรมะภายในใจของเราเริ่มกล้าแข็งอ่คําว่ากล้าแข็งคือความรุนแรงทํามันรุนแรงมันกล้าแข็งแต่ว่าเวลามันเผลอให้กิเลสกิเลสมันก็กล้าแข็งอีกเหมือนกันเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากจิตดวงนี้เห็นไหม มันมันจึงเป็นดาบสองคมเป็นมีดสองคมนะจิตของเราเนี่ยเป็นมีดสองคมเป็นดาบสองคมถ้าจับไม่ถูกอ่ะจับจับถ้าจับเถ้าไม่จับเอาด้ามมันแหละเสียเปรียบตลอดหละถ้าไม่จับเอาด้ามมันลองไปจับลองไปจับตัวตัวมีดดูจับตรงกลางหรือจับตรงปลายหรือจับตรงไหนเนี่ยอันตรายหมด ดาบสองคมจิตของเราก็เช่นเดียวกันดาบสองคมดาบสองคมมีทั้งสัมมาทิฐิมีทั้งทั้งมิจฉาทิฐิกิเลสเป็นฝักไฟมิจฉาทิฐิธรรมะเป็นฝักไฟสัมมาทิฐิทำไมจึงว่าสัมมาทิฐิเพราะธรรมะหรือปัญญาเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยเหตุด้วยปัจจัย ที่เรียกว่าสัมมาสัมมาแปลว่าเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงนี่แหละท่านเรียกว่าเห็นชอบอเห็นยังไงที่เราเห็นชอบของมันมีอยู่ยังไงเราก็เห็นอย่างงั้นแดงก็ว่าแดงดําก็ว่าดําเขียวขาวว่าเขียวว่าขาวไม่ใช่ดําว่าแดงแดงว่าดํำดําว่าแดงดำดำว่าดําว่าเทาอย่างเงี้ยสีดําว่าสีเทา สีเทาว่าสีเขียวเนี่ยเรียกว่าเห็นไม่ชัดเจนเห็นไม่ชัดเจนเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นดําเป็นดําโอ้ดาชัดเจนแดงแดงชัดเจนขาวขาวชัดเจนอมันไม่มีอะไรที่จะมาพรางนี่ถ้าเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงก็มันถูกเจ้าโง่นั่นแหละความโง่ของจิตของเราเนี่ยมันพรางอ่ามันเขียวเฮ้ยเทาเทนอะ ทั้งทั้งที่มันดำปึ๊เนอ๋อโอ้สียอะไรเขียวเขียวเทาๆดำดใกล้ดำโอ้แดงแก้วแล้วแต่มันจะว่าไปแล้วแต่มันจะว่าไปคือมันพรางเหตุพรางปัจจัยพรางทำให้เกิดฝ้าที่ที่ทิศตาของเราเนี่ยมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามที่มันมีอยู่จริงเหมือนอย่างอะไรล่ะเหมือน <laughs> เหมือนอย่างก็เอาแว่นตาใส่ให้ สายหม้ากินหญ้านั่นแหละเอาแว่นต า, สาใส่ยหมากินฟางอ่ะแว่นตาเขียวๆโอ้ยฟางฟางเขียวๆ เ, เหมือนหญ้า <c oughs> เลพราะอะไร <c oughs> เพราะสีแว่นตามันหลอกท <c oughs> ี่เรียนในใจของเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยเราพยายามนึกคิดวาดมโนภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมันมันก็เกิดประโยชน์ได้มันทําให้เราเกิดปัญญาได้เนี่ยมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิ ก็มือก็มีดสองคมนั่นแหละอันตรายอันตรายมากอมีดสองคมจับตรงไหนอะจับที่ถูกก็คือจับที่ด้ามมันจับที่ด้ามก็คือจับอย่างมีแบบมีฉบับเหมือนอย่างเราเป็นพระสาวกเป็นพระสาวกเป็นผู้ฝังฟังพุทธิเจ้าท่านสอนพุทธิเจ้าท่านสอนอย่างนี้ราคะเกิดขึ้นอย่างนี้โทสะเกิดขึ้นอย่างนี้อ่า ทั้งราคะทั้งโทรศัพเกิดขึ้นโดยอำนาจของโมห oh ะอย่างนี้วิธีแก้อย่างนี้เราได้ยินได้ฟังโอ้โหวิธีนี้แก้อย่างนี้วิธีนี้แก่อย่างนี้อันนั้นเป็นแบบอย่างที่ท่านบอกทั้งสอนเราก็เอาแบบอย่างนี่แหละมาเป็นแบบฝึกหัดทําแบบฝึกหัดนี่แหละทำไปทําไปทําไ ป, าไ ป, าไปจนเกิดความชำนิชํานาญเหมือนท่านบอกว่ามาไม้แห้งกับไม้แห้งเอามาสีกันให้เกิดไฟขึ้นมาได้ถ้าเราต้องการไฟเอามาใช้ เราเอาไม้แห้งกับไม้แห้งมาสีสีกันอย่างถูกวิธีนะสีไม่ถูกวิธีไฟก็ไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันสีไปสีไปหยุดความร้อนเกิดขึ้นจากการเสียสีมันก็เย็นลงเย็นลงพอหายเหนื่อยสีก็ไปอีกพอเริ่มสีมันก็เริ่มร้อนสีไปสีไปสีไปเหนื่อยหยุดพอหยุดมันก็เย็นลงอีกแล้วสีอีกสีอยู่อย่างนี้หมดทั้งกับมันก็เย็นหมดทั้งกับ เกอรกีกีชาติกับสีหยุดสีหยุดกับสีอยู่อย่างเงี้ยจะได้ไฟใช้มันก็ไม่ได้ใช้เพราะเราทําไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องเมื่อก็ไฟก็ค่อยไปอย่างสม่ําเสมอความร้อนมันก็สะสมสะสมเข้าสะสมเข้าสะสมเข้าสะสมเข้าถึงจิตถึงใจอ่าเห็นโทษเห็นภัยถึงจิตถึงใจโอ้เป็นเข่าดำดำแล้วใกล้เป็นไฟแล้วโอ้เป็นฐานแดงแดงแล้วอ่าเอาปากเป่า ว่ามันก็เป็นเปลวฟุกขึ้นมาเอากี๋ฝอยเอาอะไรตัวอะไรใส่ก็ได้ไฟกองใหญ่ใช้คุณธรรมที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นโดยอุปมาอย่างนี้วิธีนี้มันเลยเป็นแบบทดสอบให้เรามาเทียบดูกับตัวเราว่าเราประเภทสีหยุดสีหยุดสีหยุดสีหยุดหรือเป็นประเภทสีต่อเนื่องสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีไปเรื่อยสีหนักหน้าถ้าไปเรื่อย จนได้ไฟใช้นี่เป็นข้ออุปมาทำให้เราฟังแล้วเข้าใจง่ายอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋อไม่เป็นเพราะเหตุนี้อ๋อเป็นเพราะเหตุนี้อ๋อไม่เป็นเพราะเหตุนี้เราเป็นผู้พินิษ์พิจารณาข้ออุปมาแบบนี้แล้วมันเป็นการสร้างสรร์ในการประพฤติปฏิบัติของเราเองทำให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่า ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราของท่านเนี่ยไม่มีใครพึงประสงค์แม้แต่อย่างเดียวเรื่องเดียวแต่เวลามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยออ้ทำไมมันติบตันอั้นตู้ไปหมดจะแก่อย่างไงจะแก่อย่างนู้นก็แล้วจะแก่อย่างนี้ ก, นก็แล้วทุกขเหลือเกินนี่คือความทุกข์ความทุกข์มันมีหลายขั้นหลายตอนหลายกระทงความทุกข์ที่สรุปยอดมาก็คือความทุกข์ในขันทั้งห้าที่เรายึดที่เราถือว่าเป็นเราว่าเป็นตัวตนของเรา เนื่องจากว่าเราไม่เห็นชัดเจนแจยมแจ้งว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งขันคือรูปขันคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยแจยมแจ้งเราก็งมยึดงมถือตันด้วยตันหาด้วยอุปาทานอ ย, อย่างนั้นแหละอ่ชาวโลกเขาเกิดมาเขามีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราเกิดมาก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ชาวโลกเขามีความสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้า ง, างสุขบ้าง สุขสดิบดเราก็สุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุกบ้างสุขสุดิบดิบเหมือนกันอยู่อย่างนี้ผู้ที่พอจะขยับตัวไปได้ยึดคําสอนของพระศาสดาอย่างเหนียวแน่นมั่นคงได้ช่องได้ทางพอที่จะขยับเนื้อขยับตัวแล้วก็พอที่จะค่อยค่อยลุกค่อยค่อยคลานแล้วค่อยค่อยลุกแล้วก็ค่อยเดินเปะปะเปะปะตามท่านไป ในทีสุดก็เดินได้อย่างปกติในที่สุดเห็นโทษเห็นไัยอย่างเต็มที่มีเรียเร่ยวมีแรงวิ่งห่อเลยนี่ก็สามารถจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นคําอุ ป, ปมาเป็นคําเป็นคําพูดเป็นคําอุ ป, ปมาเหมือนอย่างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธที่เป็นแบบอย่างก็คือเรามาท่องว่าพุทโธพุทโธพุทโธจนจิตของเรามันเริ่มชำนิชำนานเริ่มชำนิชำนานมันก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมา จนจิตของเราได้รับความสงบสงบแนบแน่นมั่นคงจนจิตตรงนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานคําว่าตื่นคําว่าเบิกบานเนยโดยเนื้อหาที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงโดยเนื้อหาก็เหมือนอย่างปัญญาเนี่ยเราพยายามพิจารณาทุกอย่างเพื่อให้เกิดความรอบรู้เท่าทันสังขารที่เป็นรูปธรรม ท, ที่เป็นนามธรรมให้เกิดความรอบรู้ เกิดความรู้เท่าทันก่อสังขารทั้งหลายเหล่านั้นพอเริ่มรู้ไปเริ่มเข้าใจไปเริ่มรู้ไปเริ่มเข้าใจไปเริ่มเข้าใจเหตุเริ่มเข้าเข้าใจปัจจัยจะเริ่มรู้จะเริ่มเข้าใจไปเรื่อยโดยเนื้อหาที่แท้จริงก็จะเกิดก็จะตื่นจากความลุ่มหลงโอ้อันนี้เป็นเหตุปัจจัยแห่งนี้อันนี้เป็นเหตุปัจจัยแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ ความเร่าร้อนภายในใจความทุกข์ที่เคยเกิดเคยเกิดขึ้นจากอย่างนั้นอย่างน oh, oh, oh, ั้นอย่างนั้นเอออันนั้นก็เบาไปโออันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเรื่องว่าปล่อยเขาเป็นเรื่องธรรมดาโออันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาปล่อยเขาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ผู้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันถอนตัวออกมานะมันถอยตัวออกมาความฉลาด ความฉลาดภา ย, ภายในจิตของเราเนี่ยมันจะถอนตัวมาแล้วมันสูงขึ้นมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, น, นจนโรยู่เฉพาะที่นี่นี่คือข้อความาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติทุกคนมีโอกาสที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะประสบพบเจออด้วยตนของตนความตั้ง อ, อกตั้งใจความอดสัปพยายามเป็นเหตุเป็นปัจจัย ความอดความทนเป็นเหตุปัจจัยอย่างอย่างยิ่งยวดขันติความอดความทนเหมือนกับเป็นพื้นเป็นพื้นดินที่เรายือนอย่างเต็มมือเต็มตีนทํางานได้อย่างเต็มสติเต็มกําลังแต่ถ้าความอดความทนความอุตสาห์พยายามความภาคความเพียรอ่อนแอเลอะเลอ ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละที่เหยียบ่เป็นล ม, ลม เป็นขี้ตม้มโละโละโละโละโละละเราจะไปยืนยืนทํางานอะไรมันก็ไม่ถ น, นัดเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่จะมาช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจความภาคความเพียรของเราให้เดินไปข้างหน้าได้เอ้าล่ะพอสมควรโอเคนี้พอแล้ววันนี้